ว่าจะไม่มาคุยด้วยด้วยนะเจ็บคอว่ะตั้งติดคอแต่เช้าก็เลยลาบากหน่อยแต่ก็นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้โยมมาคุยด้วยสองสามคนกดเยคุยนานคุยก็ไม่มีเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องบุญเขาติดบุญอะไรมากมายก็ไม่รู้แทนที่จะเกิดปัญญาเยอะขนนั้นหนักบุญะ ก็ไม่หนักธรรมดาหนักค่อนข้างจะงมง่ายนักส่วนพวกเราเองปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ควรจะยึดเอาเป็นแบบฝึกหัดให้กับตัวเองเป็นอย่างยิ่งคือความทุกข์นะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกข์เยอะยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์ยิ่งปฏิบัติ ย, ย, ยิ่ ง, ย ง, ย ง, ยงเห็นตัวเองคือถ้าเราเห็น ตัวเราเองที่มันไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะรู้จักปทุกมันยังเหลือเท่าไหร่แต่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งทุกยิ่งทุกยิ่งทุกเนี่ยเราเองกับความทุกมันจะเป็นนเดียวกันเลยให้เข้าใจไว้เลยว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้วมันไม่มีความทุกเนี่ยเราไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรนะเพราะมันไม่มีกระจกสําหรับส่องดูตัวเองคือมันปฏิบัติยิ่งทุก ตัวทุกข์เราก็บอกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอเข้าใจนะทวนี้เราก็เหลือปฏิบัติปฏิบัติไปมันทุกข์นั่นแหละคือการบ้านที่เราจะต้องทํางานเออตัวทุกข์ตัวนี้เนาะมันมีตัวนี้นะมีตัวนั้นนะเนี่ยเราเอาทุกข์นั่นแหละเป็นครูทุกข์นั่นแหละเป็นแบบฝึกหัดทุกข์นั่นแหละเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนอบรมจิตตัวเองเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเราก็สังเกตตัวนี้แหละ ดูบ่อยๆอเรารู้อยู่เรื่อยๆก็เห็นอยู่บ่อยๆอ่ะยิ่งเห็นทุกข์มากแสด <venes> งว่าสติเราเยอะเหมือนไฟมันสว่างมากแต่มันก็แปลกนะถ้าไฟสว่างมากเนี่ยแทนที่จะเห็นทุกข์มากไม่ใช่นะเห็นทุกข์มันจะมีน้อยเดียวถ้าสว่างมากสติเยอะเนี่ยโอโหสติเยอะเลยเห็นทุกข์เยอะไม่ใช่สติเยอะก็เห็นทุกข์น้อยถ้าสติน้อยทุกข์มันจะเยอะ เหมือนไฟเนี่ยเวลาสว่างมากๆเนี่ยถามว่าความมืดเห็นชัดไหมมันไม่ใช่เห็นความมืดชัดมันสว่างก็คือมันสว่างมาแหละความมืดมันจะเห็นเนะความมืดมันก็หายไปเหมือนกันนะถ้าเห็นใจเราสว่างขึ้นสติมันมากขึ้นไฟปัญญาญาเราส่องสว่างเนี่ยความมืดมันก็หายไปความทุกข์มันก็หายไป ยิ่งเราจุดไฟไว้ดีเท่าไหร่เนี่ยเวลาความหลงความหลงคือความมุดบอดเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตเราก็ยิ่งจะเห็นมันชัดเท่านั้นนะมันปรากฏขึ้นแต่เราก็จะเห็นมันชัดเท่านั้นยิ่งมันทุกข์มากมันก็เป็นเรื่องของปัญญาแหละเนี้ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะถ้าเราเห็นชัดเนี่ยและลึกรู้ทันทีอะมันเกิดแล้ว ทุกมันเกิดเห็นมันชัดเอามันเป็นครูเป็นแบบฝึกหัดบทนี้เขียนได้แล้วเจะผ่านบทเรียนบทเขียนเนี่ยข้ามไปได้ละทีนี้ก็เป็นบทใหม่เขียนตัวใหม่ตัวนี้มันมาที่อะไรเราอ่านได้ทุกทีเขียนได้ทุกทีตัวทุกตัวเนี่ยอ่านได้ละเขียนได้ละทุกจากนิวรณนทุกจากออะไรเนียที่มันเข้ามาเนี่ยเราไม่ตกเป็นทาตุมันอ่ะ ถ้ามีความคิดความหวังแล้วสังเกต ด, ดูนะ mm hmm. อ, อืคนตั้งใจทําความเพี่ยนเน่ะเราตาก็ไปสังเกต ด, ดูคนตั้งใจทำความเปลี่ยนเขาจะเพียนจริงๆเพียนที่จะ ล, ลึกรู้นะ mm hmm. แต่ถ้าคนแก่ๆหน่อยเนี่ยเวลางงงายเลยเนี่ยผมจะทําวัดเย็นทําวัดอะไรประมาณนั้นคือเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์นะะคือยังงมงายอยู่ขาดไม่ได้อ่ะคือตราบใดที่เรายังเห็นกัน ท่องบนสาธยายดีกว่าการฟ้องดูจิตเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ไปหน้ามาหลังเท่าไหร่แต่ถ้าชาวบ้านละ่ะถ้าพระชาวบ้านเขาก็เป็นแบบว่าเขาไม่ค่อยได้ภาวนาไม่ได้เจริญสติพอไม่ได้เจริญสติคือการทําวัดท่องบนสาธยายยึดเอาคําสอนพระเจ้าใส่ใจกรอกใส่หูใส่อะไรอยู่เรื่อยเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าไม่ทำนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายสําหรับชาวบ้านนะพระชาวบ้านก็ตาม แต่นักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยมันยกระดับจิตขึ้นไปอีกนะยกระดับจิตคือา่าเฝ้าดูตัวทุกข์ให้มันชัดขึ้นดื่มน้นําปณะก็ไม่มันขาดไปกิจวัตรบางอย่างอย่างการทําวัดสวดมนต์อะไรประมาณก็วางไปซะนะกลับมาทําความเพียรระลึกรู้ตั้งใจนะตั้งใจให้มันเห็นทุกข์มันชัดๆและแก้ได้ทุกตัวให้มันมีอยู่แต่กับสติสัมปทัญญะเนี่ย ให้มันลงโลกโลกปร่งชัดเจนในอนุบุพิกถาห<ม>้านะ<ม>วันนี้เราสวดธรรมาจาักรหรืออนัตตะคะนสวดไม่รู้นะในอนุบุพิกถาห้านะเาจะพูดถึงเรื่องทานศีล ส, สวรรค์คนไหนทําบุญทําทานคนนั้นก็จะมีชื่อเสียง มีความสุขความสบายจากการให้รักษาศีลก็เป็นผู้มั่นคงอาฐารในสังคมเนี่ยมีควา ม, มตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหวไม่ไหลไปกับทุกขที่ปรากฏเกิดขึ้นก็เหมือนได้สวรรค์ไปโดยธรรมาชาติเลยสวรรค์คนมีทานมีศีลเนี่ยคนย่องย่องสรรเสริญ จ, จิตใจก็ะพ่องใสคนรับ คอยจะจะรับคนอื่นเนี่ยรู้สึกมันทุกข์นะแต่คนที่ให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขนะสบายนะมีแต่เฟื่องฟูจิตใจก็แจ่มใสขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ เ, เราสังเกต ด, ดูดีขนาะเราไปบินตำ บ, บาศเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ hey, บ้านนี้จะใสเห็นไหน้อลุ้นเต็มที่บางทีทุกข์เพิ่มนะแต่คนที่ค่อยเอาให้เนี่ยเขาไม่ทุกข์นะเขามีตังค์มีเงินแต่คนที่มีเงินมากกว่าเขาก็มีนะแต่เขาไม่ให้ เขาไม่ให้เขาไม่ได้คิดว่านี่คือการสลัดแบ่งปันการทําลายความตันหนีบา ง, งคนรู้สึกว่าออไม่มีอะไรเป็นของเราอะเกิดมาเป็นการสร้างบา ร, รมีฐานให้เกิดสติเกิดสัมปทญญาญยะเกิดการปล่อยการวางเกิดการเห็นความว่างของบางคนนีให้อะไรเป็นเล็กๆน้อย น, อย น, ะ, นะเข้าขี้เล็บเนี่ยเขาคิดแทบตายเมื hey, ่อให้ไปแล้วท่านจะไปทํำยังไงเอาไปยังไงเอาแล้วเป็นอะไรเป็นประโยชน์ก่บสังคมไม่ อะไรเนี่ยประมาณนะั้นนะมีศีลหรือเปล่ามีทำไหมประมาณนะั้นคิดเยอะมากนะแต่บาคนไมนะ่เขาไม่คิดอะไรอพราะนั้นก็บ่งบอกว่าอัตตานิยาคือของตัวนี่มันเยอะในจิตนี่นะ่ะมีคนมาถามอีกเมื่อกี้เขามาถามว่าเขาบริจาคของมาทำบุญกระถินเนะี่ยบริจาคของมาทำบุญกระถินแต่ว่าเอามาถวายแล้วจะถวายวันกรถิ่นด้วยนะ แต่พระรับก่อนแล้วดันเอาไปใช้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นบุญไหมคว่าไม่น่าจะเป็นบุญนะแล้วก็พอมาถามพระพระบอกว่าเก็บไว้ให้อยู่วันกรถินเนีจะามารวมกันพอวันกรถินก็มาเฝ้าดูก็ปรากฏว่าเอามารวมกันจริงๆเนะี่ยในวัดวัดหนึ่งนะไม่ใช่วัดนี้นะพอมารวมกันเขาเลยมาถามว่าเขาจะได้บุญต่อเดียวหรือได้บุญสองต่อเอา้าบุญวายถาม ปัญหาลึกซึ้งมากาก็เลยว่าโอ๊ยอาตมาไม่รับตอบคำถามแบบนี้เ่ยโยมเมย์เลยมันยากไปสำหรับอาตมาคือจะได้บุญสองต่อไม่เ พ, พราะว่าเอามาถวายให้อยู่เอามาไว้ให้ทีแรกก็ถวายพระไปแล้วอืมพระท่านก็ไม่บอกว่ามาถวายแล้วให้เอากลับไปก่อนแล้ววันโทษกระถิ่นคอยเอามาให้อะไรประมาณนี้ทีนี้ได้ถวายสองครั้งเขาว่าความคิดมันไปอย่างนั้นซะ ก็เลยถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยคําสอนจริงๆเขาสอนเรื่องอะไรอ่ะออกหมายสูงสุดเลยเนี่ยเอ้าเขาว่าพานิพานเออนิพานพุทธศาสนานสอนเรื่องนิพานไอ้ที่ไม่ไปนิพานไม่ได้มันเพราะอะไรอ่ะเขาก็นิ่งนะหรือว่าเพราะความโลภโกรธหลงใช่ไหมเออเขาว่าน่าจะใช่เพราะความโลภโกรธหลงหเอา้ า, อาที่ความโลภโกรธหลงมันมาจากไหนอ่ะมาจากใจ แล้วใจไปติดอะไรติดรูปรถกินเสียงติดสิ่งของคนอ่ะนั่นแหละติดสิ่งของเนี่ยเราออกจะมันไม่ได้ก็ห้อยของมันออกไปก่อนก็ได้นี่นะวางไปได้เพราะว่าจะได้บุญไหมบุญมันเป็นยังไงอ่ะามบุญเข้าใจไหมคาว่าบุญคืออะไรไม่รู้นะคนไม่รู้บุญบุญเป็นยังไงไม่รู้จับโยมเคยได้ยินไหมบุญก้อนบุญเคยได้ยินไหมเรื่องก้อน เขไม่เคยเนี่ยเพราะถ้านั้นอันตมาเล่าให้ฟังก็ได้ ม, มีพระทุดงอะท่านไปทุดงแล้วท่านขี่เรือไปมีเรือไปอะพระพออก็จะข้ามแม่น้ําไปก็จะไปภาวนาอยู่ฝั่งโน้นปรากฏว่าพอไปขึ้นฝั่งแล้วโยมก็เก็บตังค์พระก็บอกว่าไม่มีเอา้าไม่มีได้ยังไงขึ้นรถคันนี้เขาก็เขียนไว้อยู่ท่านนั้นบาดท่านนี้บาดพระทําไมไม่มีตังค์ให้ ไม่มีอะไรก็เอามาเขาจะเอาเลยนะพระไม่รู้จะวหาอย่างไงได้ยินคนเขาเล่าลือว่าในพระนี่มีบุญใช่ไหมไปถามนะเออพระเขารู้สึกขึ้นมาเออมีบุญจริงๆเบอมีนั่นนั้นไม่เอาเงินก็ได้ถ้าไม่มีเอาบุญมาอพระก็งงแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนลูบไปลูบมาก็ล้วงไปเข้าไปในรูจมูกนะแค่เอามา มหมุนเล่นคิดไปคิดมาเอามาบุญเนะี่ยก็เลยเอ๋อยื่นให้เอานี่ก็ได้เอา้าทําไมมันดําๆเนี่ยวหาบุญก็เป็นหนึ่งอีกแล้วหนึมันเล็กขนาดนี้แล้วว่บุญเล็กเล็กนี่ก็หายากว่าปกติก็ไม่ได้นี่ให้แต่โยมนีแหละมันนี่จะเอาไว้ยังไงล่ะแล้วเขายังไงล่ะคนที่ไปทําบุญเขาเอาไว้ยังไงล่ะเขาเอาใส่ปากไว้ดิ กินบุญเนี่ยเคยได้ยินไหมคำว่ากินบุญกินบุญโยมก็กินบุญเด็เนี่ยโอ้โหยนต์ใส่ปากตัวเองโอ้บุญนี่เข็มเค็มเนาะรสชาติมันเข็มเค็มบุญโอ้จะได้ไปเล่าให้ภรรยาฟังละวันนี้ได้กินบุญมาเข้มเค็มเราจะมาไปได้หรือยังได้แล้วได้แล้วไปได้เลยทีนี้ได้บุญแล้วก็ขึ้นไปก็สบายอกสบายใจยกูไม่ได้ไปวัดละ มีอกูชอบให้กูทำบุญทำบุญวันนี้กูจะว่าแต่ว่าเดยทำบุญแล้วกูได้กินบุญด้วยซ้าไปอ่ะจะเล่าให้ภรรยาฟังตอนเย็นนั่นนี้เล่าเพเป็นวิธีนะเขาบอกว่าคนไม่รู้เรื่องบุญนะแต่ทำบุญด้วยอุปทานอุปทานมีความรู้สึกว่าอันนี้คือบุญก็ไม่ทุกเลยนะะที่สุดแล้วไอ้ที่บุญที่รับไปนี่เป็นบุญหรือไม่บุญก็ไม่รู้ละแต่ว่ารู้สึกว่าทักษินานุปทานเป็นอุปทานนะ จิตมันก็ดีอยู่ระดับนึ่งแต่เขาไม่รู้ไม่รู้เขาก็มีความสุขอืมแต่ถ้ารู้ล่ะอันไม่รู้นี่เป็นแบบงมงายแบบสมถะแต่ถ้ารู้นี่เป็นเรื่องของวิปัสสนาเป็นะเรื่องของวิปัสสนาเรื่องบุญเนี่ยอยากจะให้คนรู้จักเรื่องบุญบุญมันเป็นยังไงบุญทั้งหลายคือเครื่องชำระล้างใจ ล้างใจให้บริสุทธิ์ให้มันสะอาดไม่มันเป็นทุกข์บุญเนี่ยทีนี้มาทมว่ามันชําระล้างไหมใจเรามีอะไรบ้างมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเนี่ยต้องทํำยังไงอ่ะมันจะชาระล้างได้ล้างความโลภออกล้างความโกรธออกล้างความหลงออกเนี่ยเออถ้าล้างความโลภโกรธหลงนั่นแหละได้นะ ชื่อว่ามีบุญแล้วอันนี้จะเป็นสะพานบุญไปสู่นิพพานที่ว่านั่นนะแต่ถ้าทาอย่างอื่นแล้วมันความโลภโกรธหลงมันไม่ออกไปเราก็ไม่เห็นนะเขาว่าเห็นเนี่หมายว่าต้องเห็นด้วยตัวเองนะเป็นสันติโกต้องประสบเองเห็นเองมันไปจักแจ้งในใจว่ามันออกไปยี้ทำอย่าง้วเป็นอย่างนั้นเลย ว, ว่ารู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมากนะ สันทิติโกปจัจจตังบนี้คือมันต้องเห็นเองน่ะอาการที่มันเป็นแต่ทีถ้ามันไม่เห็นล่ะอย่างอย่างบุญเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้นะนั่อก็สบายใจนะทางีก็สบายใจแต่เหตุปัจจัยมันไม่ใช่จะเหมือนเราทำใจได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบุญแบบสมถะเราไม่รู้เหมือนว่าเราจะอุทิศในคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไมนะ่เขาก็ไม่รู้นะ่ะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าได้ทํารู้สึกสบายใจสบายใจนี่เาเรียกว่าทักษินานุปทานเนี่ยก็เป็นบุญแบบนึงอืบุญที่โยมกําลังมาคุยกับธรรมาเนี่ยเป็นบุญแบบนี้แหละคุยกับเขาบุญแบบโยมไม่รู้โยมรู้ไม่นรกอยู่ที่ไหนโยมรู้ไม่สวรรค์อยู่ที่ไหนฮะเขาก็เขาไม่รู้เอาไม่รู้แล้วมาชวนธรรมาไปนรกไปสวรรค์ได้ยังไง โยมต้องรู้ดิแล้วตุวมต้องเคยไปยอ่ะโยมต้งมาชวนตมาไปได้ถ้าไม่เคยไปเลยจะมาชวนกันไปเกิดโยมพาไปในรกเนึกว่าเป็นสวรรค์ไปสวรรค์เดียวไปนรกจะยุ่งนะเนี่ยคือมันต้องรู้จริงๆเขาบอกว่ามันมีในพระไตรปิฎกในตำราแบบน้นแบบนี้แะไรประมาณนั้นาตมาไม่อยากได้บุญในพระไตรปิฎกอยากได้บุญที่เป็นปัจจุบั น, นเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็คือพระไตรปิฎกแหละ ไม่อยากเอาความเชื่อในตำรับตำลาคำพีอะไรเนี่ยมาขายสวรรค์ก็ไม่เคยไปแต่มันจะไม่ชวนไปสวรรค์ชาติหน้าก็ยังไม่เคยไปแต่จะชวนไปชาติหน้าแล้วทำบุญลำทานแบบนวนแบบนี้นะคือพุทธธรรมเยจริงๆเป็นเรื่องของที่นี่และเดี๋ยวนี้ แม้แต่การปรินิพานก็ในปัจจุบันชาตินี้หรือองค์วันปฏิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามิก็เป็นปัจจุบันนี้นะคือมันเป็นที่ความรู้สึกไ อ, อความรู้สึกนี่แสดงว่ามันยังไม่ตายเดี๋ยมันต้งมีความรู้สึกาตายแล้วมันจะมีความรู้สึกเหรอความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้เข้าใจได้ที่เป็นปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มส ง, งบลงส ง, งบลงนะก็คุยคุยน้อย เลยไม่เล่าต่อพาคุยเรื่องใหม่พระพุทธเจ้าทำพูดถึงเรื่องทานศีลแล้วก็เป็นคนที่มีสัก ข, ขะมีสวรรค์มีความสุขนะไปในม่นได้ความสุขแต่ว่าพวกนี้มันเป็นอนินจจ์พุทธเจ้าเลยสอนว่าอืมที่จริงควรจะได้ฝึกจิตฝึกจิตก็คือเนคขมะนะั่นแหละเนคขมะแล้วก็เกิดปัญญาอืม คือให้เกิดปัญญาเกิดสติเกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญานั่นแหละอยู่ที่ปัญญานั่นแหละพุทธธรรมเนี่ยต้องการให้คนเกิดปัญญาทีนี้อย่างนักพรตนักบวชเนี่ยเขาฝึกปรมัตทะทานทานแบบปรมัตคือทานอารมณ์ปล่อยวางความทุกข์อะไรเนี่ยออกจากใจไม่มีวัตถุจะไปทานแต่ก็ทานหนึ่งทานอะไรละ่ะทำให้ตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สองช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละเพิ่งช่วยเหลือคนอื่น mm hmm. การช่วยเหลือตัวคนอื่นก็คือการช่วยเหลือตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําดี่าสังคมกรดีเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติธรรมจะรู้เกิดเลยเอหิป mm ัส hmm. ส e ิโกอยากเชิญ ญ, ญาติโยมญติพี่น้องมาปฏิบัติธรรมทันทีเนี่ยอยากชวนชวนคนนั้นคนนี้นะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่เข้มแข็งเนี่ย เราอายที่จะเชิญชวนเขาเมื่อไหร่ที่เรากล้าเชิญชวนคนนั้นอยากชวนคนนี้อยากชวนแสดงว่าสติเขาดีนะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันก็จะติดอารมณ์พวกนี้นะแต่ก็ให้ทำํำบางนี้สมควรทําทําแล้วเหมือนว่ามั น, มนสบายใจแล้วก็จบไปนะแต่บางทีเวลาเราชวนเขาเนี่ยเขาไม่มาเราจะรู้สึกเฮ้ยทำไมโง่ไปนี้เนาะกูก็ตั้งใจชวนนะนะอะไรประมาณกูปฏิบัติเกิดจะได้มันก็ยากลำบากเพราะชวนนี่ปฏิเสธเนาะมันเนี่ยนะ ปล่อยแม่มึงทุกเลยนะกูไม่ชวนอีแล้วเนี่ยตัวตนขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยงั้นถ้าเราอยู่กับตัวเองอยู่เฉยเฉยมันดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่านั้นในส่วนหนึ่งก็คือต้องดูว่าคนที่เราชวนเนี่ยมันมีมีพื้นบ้างไหมมีพื้นแห่งศรัทธาบ้างไหมมีพื้นแห่งปัญญาอยู่ระดับหนึ่งไหมถ้ามันมีมันก็พอชวนได้แต่ถ้าไม่มีชวนก็เสียเที่ยวนะ นะเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไปเสียเว ล, เวลาบางทีเสียอารมณ์มีต่างหากเสียมุดิขอเสียมุดหมดมุดิเนี่ยคือหายไปทันทีอุย้ยหงุดหงิดดีกว่าไม่ต้องพูดถึงอย่างไรก็ตามนะการปฏิบัติทรรมนี้มันไม่ใช่ของง่ายจะชวนคนนั้นคนนี้มาเนี่ยเราเข้าใจว่าเราสู้กับทุกข์ได้ดีแล้วเหรอ คือการปฏิบัติธรรมคือการสู้กับความทุกข์การดับทุกข์การแก้ทุกข์การสลายทุกข์การทำลายทุกข์การอยู่กับทุกข์แบบการรบที่ดีนี่คือการการเจรจาพูดคุยกับข้าศึกให้เป็นฝ่ายเรามันคือการรบที่ดียอมความกันละสนิทใจทำให้โลกนี้เป็นเพื่อนกันมั่วนั่นแหละคือการรบที่ดีคือให้ฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่ฆ่าเขาให้ตายนะนะไม่ใช่ฆ่าเขาให้ตายเหมือนกันกันปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆแบบนั้นแหละทำไงเราจึงจะมองว่าความทุกข์นี่เป็นเพื่อนกันกันกบเราเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยความทุกข์ความสุขเป็นอันเดียวกันนะเราจะเห็นแบบนั้นได้ไหมนะถ้าเรารู้สึกแบบนี้มันก็ไม่ทุกข์นะ แต่ถ้าเราไม่เห็นแบบนี้ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นกับเราชีวิตเราเนี่ยมันทุกข์มากมันทุกข์มากเพราเราไม่รู้จักทุกข์เราก็เข้าไปอยู่ในความทุกข์ซะความทุกข์ก็บีบคั้นเราอ่ะแต่ที่จริงถ้าเราเฉยกับความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหมือนพุ่มต้านทานเราดีเนี่ยเลือดก็สบายพอเราตุ้มตาอ่อนเลือดนี่แหละจะทํำลายเราเลือดเราเนี่ยเหมือนกันน่ะถ้าสติดีความคิดนีนก็กลายเป็น เป็นปัญญาแต่ถ้าสติไม่ดีความคิดในของกายเป็นตัญหามันมีสองอันต้องเจอวันไหนอ่ะทำถูกก็ดีไปถ้าทำไม่ถูกก็ทุกนะปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยนะดงนั้นมองให้เห็นทุกว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่อย่างอื่นทุกคือธรรมชาตินะที่จะเรียนรู้กับทุกอันเนี้ยแล้วอาศัยทุกเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่ซ้อมสังเกตดูแก้ทุกตัวนี้ได้ ทุกตัวนี้ก็แก้ได้ทุกตัวนี้ก็แก้ได้แก้ได้ที่เราเปลาะเรเปาะเรเปลาะเรเปลาะแหวนถ้าแก้ได้จุดไหนมันก็สบายตัวนั้นน่ะแต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าโอ้เราแพ้มันะเราดัดตัวนี้แก้ไม่ได้มันต้องแก้ได้วันหนึ่งมันแก้ไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องแก้ได้นะะมันต้องแก้ได้อยู่ดีอ่ะปัญญามันต้องเกิดอยู่ดีแหละแก้วันนี้ไม่ได้ตอนคําแก้ไม่ได้ตอนซ้ายแก้ได้ ตอนซ้ายไม่ได้หรอตอนเย็นต้องแก้ได้มันสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยอพอแก้ได้ผมเอาจิตมันก็โปร่งมันก็โล่งขึ้นมาดิมันเป็นเองโดยธรรมชาติพนะอืเราก็อยู่กับมันได้ท่านพุทธทาสท่านสอนว่าทําเหมือนลิ้นงูในปากงัวลิ้นงูในปากงูปากงูนี่แล้วเอามือเข้าไปดิตายพอดีดิ ทีนี้ลิ้นมันน่ะมันเข้ามันออกอยู่แล้วทําไมมันไม่โดนพิษมันน่ะมันไม่โดนพิษมันนะมันเข้ามันออกอยู่ชีวิตแล้วนี่ก็อยู่กับทุกข์นะอแต่มันก็เป็นทุกข์ที่จริงมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในนี่แหละทุกข์ก็มาจากรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละทุกข์เกิดจากผัสสะนี่แหละเกิดจากสิ่งเหล่าเนี้ยปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปแต่เราก็เป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์เพราะมันไปยึดมันไง แต่ถ้าเข้าออกแบบชํานาญวิ่งเขาไม่ออกเนี่ยเขี้ยวมันก็คือเขี้ยวนะอย่าไปโดนมันเหมือนกันนะ่ะปฏิบัติทำระลึกรู้นี่คืออย่าไปโดนความทุกข์อย่าไปอยู่ออกับความทุกขนะ์ปล่อยวางทุกข์เห็นทุกข์ดูทุกข์ไอ้ที่ตัวเห็นตัวรู้ตัวดูเนี่ย่าเพิ่งเข้าไปเป็นจะหลงไปนะ จึงพยายามที่จะรู้ตัวให้มันชัดเขา้าชัดเขา้าชัดเขา้าต่อเนื่องกนเรืเ่อยๆเรื่อยๆตื่นดึกปกติตื่นสายเนาะเวลาเท่าไหร่แล้วเดินตื่นพนะ อ, อ ồi, นดีนี่คนเขาตื่นที่สามครึ่งเนี่ยขึ้นมาตื่นข้างไม่งตื่นขึ้นมาอ้าวเราเดินจกกุกมโทแล้วเราเนี่ยนะไม่ใช่ไม่งลกก็แบโอุย้ยแปลงฟันบางทีหลับคาโต๊ะก็มีอะแปลงฟันไป รู้สึกแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วพองไซแล้วเดินจุกมแล้วตีแมงแมงแมงขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยแต่ก่อนทําอะไรได้น้อยอลองทําให้เยอะกว่าเดิมดิสิ่งที่ไม่เคยทำเหมือล้างห้องน้ำมองถาทําเป็นไหมลองทําแบบจิตมันขยะขยงมันไม่อยากทํามันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยลองทําดูดิไม่เคยปัดกวาดปัดกวาดดูดิตรงนั้นไม่เคยทําเห็นไหมดูสังเกตดูเวลาคนปัดกวาดทําความสะอาดเนี่ย คนที่เขาทําประจําเนี่ยเขาจะเริ่มกวาดในสิ่งที่ที่เขาไม่เคยกวาดตัวนี้มันลึกนะตัวนี้ยตัวนั้นมันยากนะมันสกปรกนะเขาจะเริ่มไปทําอ่ะเพราะข้างนอเขาทํามาหมดแล้วเขารู้แล้วนะแต่ถ้าคนมาใหม่ๆ ม, ม, มาปัดกวาดก็จะรู้เฉพาะไอ้ที่ควรกวาดถนอนอย่างเดียวหรือเปล่านะั่นเหมือนกันคนที่เดินอยู่ในมรรคอยู่เรื่อยๆเขาเขจะเริ่มเห็นส่วนไหนที่มันยา ก, ยากๆก็บกีจะไปฝึกฝนจิตกับสิ่งที่มันยา ก, ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆ เออตัวนี้มันพุกเนาะเออตัวนี้ยังแก้ไม่ได้นะเนี่ยไม่ใช่มองไปว่านั้นก็นั่งหลับมองนั้นก็นั่งหลับโอ้ยอ่ามันอ่อนแอนะปัญญามันไม่เกิดให้ปัญญาไม่เกิดให้นอกจะไม่จะพูดถึงปัญญานะพูดถึงความเพียรมันไม่มีอความเพียรเนี่ยมันไม่มีความเพียรมันน้อยถ้าเพียรน้อยวิทยะน้อยก็ข้ามมารุมไม่ได้แล้วะ ข้ามไม่ได้นะอารมณ์เนี่ยมันก็ติดอารมณ์อยู่บ่อยๆทุกข์ก็เกิดอยู่นี่แหละฮมันเหมือนง่ายอะถ้าสติดีๆหน่อยมันก็จะโล่งโลงโปร่งๆนะเห็นคนอ่ยทำไมมันโลง่งจย่เน้อเห็นมันโปร่งอย่าน้อเห็นไหมเนี่ยมันโปร่งให้เอาทุกข์เนี่ยเป็นตัวปัญหาหอืนี่ถ้าทุกข์มาหนักๆงงนะทําใจสบายสู้มันนะ มันไม่ไหวจริงๆเอ้ามันไม่ไหวแท้ๆเนี่ยมันกึบไปนิดนึงมันเผลอไปตื่นไดนดีเลยอะโดยมีเหมือนสมณะสัญญาเนี่ยว่าจะตื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอตื่นอยู่เรื่อยๆไม่แสวงหาความสุขอันเกิดจากการนอนเนี่ยพอตื่นมาก็สู้ต่อนะสู้ต่อจะไปเหงาจะไม่ง่วงอย่าไปงวดหงิดหุนคิดอะไรกับมัน เห็นมันเฉยเฉยเห็นทุกเฉยเฉยถ้าสติดีเห็นทุกเน่ะทุกดับเลยมันเห็นอะไรมันกลายเป็นความว่างเห็นอะไรก็เป็นความว่างที่บอกพุทธศาสนาคืออนัตตาคือเห็นอะไรก็เป็นความว่างมันมีความว่างในการเห็นตรอดเวลามันไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนะการเห็นนี่คือปัญญานะมันไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกนะไม่เห็นว่าคนนั้นทุกเห็นว่าอันนี้ทุกเป็นความยุ่ความยำ ไม่ความเห็นนั้นมันเห็นด้วยใจที่มันโล่ง ม, มันสะอาดมันว่างเห็นด้วยปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าเห็นไหมสังขารนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายคลายความหลงเกิดนิพพิทาโอ้เบื่อความคิดว่าเบื่อความว่วงเบื่อความเงาว่า เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละคือทางแห่งพระนิพพานเบื่อบ่างหรือยังเดินไปง่วงมาเป็นปีเป็นปรรศาเบื่อมาเลยยังง่วงเลยถ้ายังไม่เบื่อก็แสดงว่ายังไม่ได้เหยียบรอยนิพพานแล้วแต่ยิ่งนิพพานมันอยู่ใกล้ๆเมื่อได้เล่าเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานมันเบื่อมันไม่ทางพระนิพพานถ้าเบื่อนั่นทางพระนิพพานมาแล้วได้แล้ว เบื่อในทุกย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงบางทีมันก็เบื่อความทุกข์ติดความสุขก็มีนะมันเพลินอยู่กับความสุขแต่ทุกข์มันไม่อยากเอาทุกข์สุขก็คือทุกข์ที่ละเอียดเข้ามาหน่อยย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดหมดจดมันสะอาด ทั้งหมดก็คือทาประเภทนี้นำไปสู่ความสะอาดสว่างสงบความโล่งความโปร่งถ้าทำดีใจเสี ย, ยใจความสนุกสนานเพลิดเพลินวันเทิองมันจะเหลื อ, อไว้เหลือความกำหนัดขัดเคืองเหลือลาคโทสะโมหะติดเอาไว้ให้ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตให้ถามว่าชีวิตเราเนี่เหมือนแล้ว เ, เยียบพระนิพพานอยู่นะเมื่อใดที่มันโล่งๆโปร่งๆเห็นมันทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยเหนื่อยหน่าย ขี้เกียจคิดไว้เนี่ยขี้เกียจคิดเขาเรียกว่าสังขารุปิขายานมันขี้เกียจมันเหนื่อยหน่ายในความคิดอืมมันทบทวนอารมณ์เกิดดับป็ฏิสังขารญาณเ น, นี่ยเห็นความคิดดับสลายหายเป็นลงกองลงกับพื้นนะเหมือนเคยเล่ า, าให้ฟังนี่ยโยงคนหนึ่งเขาปฏิบัติทำแล้วล่วงไปเลยเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าพังขายาน อืมพังขยานมันเป็นอาการแบบหนึ่งที่จะมันปรากฏเกิดขึ้นในจิตเนี่ยถามว่าเราเห็นแบบนั้นไหมแต่ละครั้งเนี่ยหรือแค่วันวันหนึ่งก็ยังไม่เห็นตัวอะไร เ, เห็นตัวกิเลสตัณหายังไม่เห็นแต่ตัวง่วงวันนี้ก็เจอแต่ตัวง่วงเจอกันแต่ตัวง่วงเนี่ยไม่สะอาดซากักทีเขาไม่ได้เห็นยาในดืนแล้วยาในดืดเห็นสังขารอื่นไม่ใช่มาเห็นตัวง่วงอยู่นี่นะนั้นตัวง่วงต้องไม่มีแล้วมันถึงจะเห็นธรรมะชนิดอื่นที่อยู่ในใจอ่ะ ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยเห็นมันแล้วนะว่ามันอยู่ข้างในนะเราก็จะเลื่นสติแะจะเลื่อนใบใบสร้างจังหวะแรงแรงจิตมันะก็จะตื่นขึ้นมากนะ็าผ่องใสเบิกบานมันไม่เบิกบานก็ทำแรงแรงแล้วทำให้มันตื่นล่ะ มองไกลๆเงยนคอสูงๆเนี่ยมองดูโน่นดูนี่ไปนะไม่ใช่เข้าไปในอารมณ์โุกที่มันติดนิสัยบ้ า, ต, บาตั้งใจนะวันนี้กูขึ้นมาทำวัดเนี่ยเอาอธิษฐานตัวเองจะไม่หลับนะนะจะไม่หลับไม่ ง, ง่วงไม่เงาบอกคนข้างๆว่าอย่าลืมเอาตีนลูปหน้าให้ด้วยนะถ้าง่วงนะ บอกอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยมันจะตั้งใจได้มันกลัวด้กลัวตีนเขาเน่ะรูปหน้าเนี่เสียสักเสียของนี่เนี่ยเห็นไหมมันอันนี้มันไหมอันนี้มีแต่ว่าย่ายุงเด้ะชีวิตคนอันเดะชีวิตใครชีวิตมันเด้่ผมง่วงคือคือง่วงเลยโอ๊ยมันก็ไม่ออกใครสียทีแล้วะไม่ออกใครสียทีมันก็ทุกทุกแต่เรมันก็เห็นทุกเพราะมันไม่เหนื่อยนาย ไม่เหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะทีนี้มันก็ไม่เห็นพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดนะครับอ